คืว่าพอปล่อยอะไรก็ค่ะปล่อยทุกอย่างก็มันอารมณ์มันขึ้นขึ้นตรงลงมากนะเพราะผ้าโมโหก็จะโมโหร้ายกว่าเดิมมากๆเราก็ไม่ทราบว่าเป็นยังงเป็นอย่างนี้แหละคลเหมือนเดิมหรือเราเราข่มไปก็ปฏิบัติแล้วชอบข่มเขานีอก็เรา จะมาทําสติปัฏฐานหรือทํำวิปัสนาจริงๆไม่บังคับตัวแท้ๆก็คือเราไปฝึกด้วยวิธีเก็บขวดเนี่ยพอโดแล้วาก็ต้องโดนโดนโดนเลยคุกโตคุกโตให้มันหายคือเราตั้งอกตั้งใจจะเป็นคนดีคนดีเราต้องฝัควบคุมตัวเองด้วยจริงีแล้วมันก็แค่เจ็บๆไป หลายคนนะประมาณลงมือกันเลยสติแล้วก็คสึว่าเราร้ายกับเขาเนี่ยซักพวกเราสิบเอ็ดนางฟ้าเปล mm hmm. ี่ยนชื่อเป็นสิบเอ็ดแม่มุนละ mm hmm. แต่เดิมมันไม่ดีมันไดีมีบางคนบอกว่าให้ทำไมพอมันทำนี่ปสัสนาเราร้ายกับเขาแต่เดิมดีฉันเป็นคนดีมีคนมาบอกอย่างนี้เลยว่ามาเปลนแล้วได้ เรก็ดีแล้วที่เห็นม่าร้ายแตนะ่เรววาคิดว่าดีที่จนะนะริงมันร้ายต้องไว้กระนั้นเป็นหมอได้นะเหมือนเพลงเป็นมะเร็งแล้วไม่รู้แต่เดี๋ยวรู้ขึ้นมารู้ก็ดีแล้วนะจะได้รีสังเกตแต่ว่าก่อนจะลงมือเจริญสติต้องถือศีลก่อนตั้งใจก่อนแล้วก็ถือศีลห้าก่อน เก็บปากเก็บลูกเจ็บเท้าก็เพราะว่าเราไม่เก็บกดแต่เดิมเราเก็บกดสีก็ไม่ค่อยจำเป็นเราไม่ทําอะไรที่ไม่ดีเลยแต่คราวนี้เราไม่เก็บกดความร้ายจะพุ่งได้มาเต็มเหนียวเลยแล้วมีสีเมื่อไม่ก่อนปลอดภัยดีพนักงานสมมติว่าไม่พอใจใช่ไหนะคะแล้วก็ไม่พูดไม่ว่านิ่งๆก็เก็บกดคือไม่ใช่ เก็บกดหรือไม่เก็บกดไม่ใช่ว่าพูดหรือไม่พูดนะเนีย่ยส่วนไม่พอใจแล้วว่าเขาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่วิธีปฏิบัตินี่เป็นการตามใจกิเลสสุดโต่อีกขั้นแต่เขาไม่พอใจแล้วก็โกรธขึ้นมาก็รีบพุทท่งเนี่ยโยนโยนโยนพุทโธพุโธเลยนี่ก็สุดโต่อีกขั้นอันหนึ่งคือข่มเอาไว้อันหนึ่งคือตามใจกิเลสนคือความสุดโตง่งต่ำตันการจะิญสุตติไม่เป็นอย่างนั้น การเจริญสติที่ชอบโกรธรู้ว่าโกรดรู้สึธรรมาชาติของความโกรธเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็หายไปแ ต, ต่มันนานมากเลยนางเพราะสติของเรามันไม่เกิดจริงๆจิตของเราไม่เป็นกุศลจริงๆองย่างความโกรธเกิดขึ้นพึ้งพึ่งมันมีชื่ออนะไรพึ้นพนะึ่งเรพึ่งโกรธขึ้นมาเนี่ยพอเรารู้ว่าโกรธเราไม่ชอบมันเราอยากให้หายโกรธรู้สึกไหม ครที่ไม่ชอบความโกรันั่นแหละคือความกรัอีกตัวนึ่งเพราะฉะนั้นจิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิตนะไม่ใช่กุศลไม่ได้มีสติจริงแต่ว่ากินแหแอบต้องอลังแี้ก็เราก็ยังทำยอยูเอ่ายังรู้ได้ไม่เต็มที่คือยอมว่าประการที่ทำอยู่เนี่ยคืองานปฏาสนธ์ที่เจอคนเดีย เยอะมากมากแล้วก็รู้สึกว่าเราถูกกระทบเยอะไม่ว่าจะกับลูกน้องกับเจ้านายหรือกับคนอื่นๆแถกอื่นแล้วก็ข้างนอกเลยเหมือนบางครั้งเราเราไม่ได้มีสรีพอเชื่อเหมือนจะตั้งรับได้อะไอย่างนี้แล้วก็ช่วงเนี้ยเป็นคือเหมือนกับว่าตัวไม่ตั้งรู้ว่ามันกลัวรรู้มันเป็นเต้นรู้อะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าไม่มีความสุขคือปฏิบัติแล้ว สติททแท้มยังไม่เกิดไม่มีความสุขเข้าใจเราไม่ชอบรู้สึกไหมจิตที่ไม่ชอบเนี่ยเป็นอันตลจิตจิตเราไม่เป็นกลางนี่ทํายังไงจะเป็นกลางเป็นกลางยังทําึ้นไม่ได้ให้รู้ตรงที่ไม่กลางเพราะงั้นเวลาเราถูกกระทบสัง เ, เกตไหมว่าเราไม่อยากถูกกระทบเราอยากอยู่สงบสงบไอ้เดิมเราเก็บกดนี่พอมาถูกกระทบ ไม่พอใจไม่พอใจอยากจะให้หาอีก่ความอยากเกิดขึ้นมาความทุกข์ยิ่งซ้ำซ้อนมากกว่เก่าถ้าทาสนุกไปกับมันดูไปไเรื่อยๆดูไปอย่างสนุกสนุกดูอารมณ์ที่แต่งไปแต่งมาดูอย่างสนุกสนานเลยคือดูอย่างเกลียนมันต้องคือสนุกว่าพยายามทำใจกลางให้ง่า ย, ยาาาที่สุดเท้าที่จได้ไม่ได้พยายามนะมันพยายามไม่ได้ ใจไม่เป็นกลางเราให้รู้ว่าไม่เป็นกางเราทําใจให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เพราะจิตเนี่ยเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ถ้าหันเจริญสติไปเรื่อยๆพบความจริงว่าขันธ์งานของบังคับไม่ได้เรื่องเห็นเรื่องผลบังคับไม่ได้แต่เดินมาพยายามฝึกบังคับฝึกไหมฝึกบังคับในความเป็โตไปข้างหนึงสิ่งที่ได้ไปได้เป็นคนดีได้เกิด ความดีเป็นโลภียากรูปสนความดีชนิดนั้นก็พาให้เกิดเป็นคนดีดเป็นเลวนาเป็นลมอะไรนี้นแต่ซึ่งกูสนอี่ชนิดหนึ่งที่จะไปไปสู่โลภุตระกูสนอยู่ที่การอัดเจริญสติเนะรู้ทุอกอย่างอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงแต่เกณฑ์จเาอยากแทรกแซงเราอยากให้มันหายอยากให้มันสงบอยากให้มันดีรู้สึกไหมให้รู้ทันตรงที่อยากนะ คือหันมาไปที่ความอยากของเราความอยากเนี่ยเป็นกิเลสตัวจริงนะแล้วถ้าสมมติว่าคําพูดคนที่พูดกับเราแล้วทาให้เราไม่พอใจรู้สึกว่าเขามองเราแบบนี้เนี่ยเสียหายหรือว่าเสียเกียรติเราแต่ว่าคนที่มองคนที่ทําแบบนั้นคือเจ้านายเราแต่เรารู้สึกเหมือนแต่ว่าเราเดียหน้าเสียเกียรติมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานอย่างเงี้ยก็คิดว่าให้ทําดีไหมหรือว่า คือเรื่องงานก็ต้องพูดกันเรื่องงานนะเรื่องจิตใจก็เรื่องจิตใจและส่วนเรื่องงานเจ้านายก็ไม่ถูกมีหน้าที่บอกก็บอกบอกแล้วเงีเยปัยก็ไม่บอกอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็หางานใหม่ถ้ายังต้องอยู่ทำไงต้องตัดใจเราให้ได้แต่อย่างเวลาถูงเจ้านายว่าบาทีเรา ถ้าเราไม่เจลิมฉลอินะเราก็เริ่มต้นด้วยการเข้าข้างตัวเองก่อนนะเรารู้สึกเรามีคําอธิบายเยอะแยะแต่ถ้าเราหัดเฉลิมฉลองจิตจรงๆตามคนพูดมีเสียนได้ไอเดียใหม่ๆมองตัวเองได้เยอะขึ้นหรืออย่างน้อยการกระทบเนี่ยหัดสะให้ามากระทบนะเป็นทางผานเข้ามาของคีเลสจริงๆแต่ปัญญามันผ่านเข้ามาทางเดียวกเนีนย่างพวเราได้ยินเสียงต่างก็หลุดเลย เป็นทางเข้ามาของกิเลสแต่ว่าการที่เสียงกระทบเข้ามาเพราะโกรธเกิดแล้วมีสติรูท้ทันปัญญ า, าเกิดเราจะเห็นเลยว่าสภาวะของความโกรธแต่เดินไม่มีตอนนี้มีขึ้นมาจิตใจแตยเดิมไม่โกรธตอนนี้โกรธในตัวปัญญานะเห็นม่าจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเพ่นการหนีพัสสะไม่ใช่วิธีปฏิบัติอแต่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ปัญหาทางโลกนะ แา่นายมันห่วยแตกจริงอยู่กันไม่ได้ต้งไม่อยู่หาทางเปลี่ยนงานยังเปลี่ยนไม่ได้ทำยังไนอย่าทุกเยื่อมสิความทุกขเป็นส่วนเกินนะจริงๆไม่เอาทุกข์พราเราไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากให้เขาพูดดีๆกับเรานี่เราไปบังคับตัวเองไม่ได้ใจเราเรายังบังคับไม่ได้นี่เราเรียนนะเรียนให้ทำความเข้าใจให้ถึงจิตใจของเราหนึ่งจิตของเราเนี่ย ที่จะเป็นภูมสลซนใะย่ไแต่ละวันนี้ยากมากจิตโซนมากจะเป็นอักุโซนดืออก้ยงิเลยเออวงพ่าถึพูดเร่อยเรื่อยบคนถามว่าดูถูกเรื่อยซ้ำแไม่ว่าหนะ้าเนี่ยนินทาในใจชอบดูถูกหลวงพ่าพูดบ่อยๆในโลกนี้ที่คนรู้สึกตัวในโลกนี้แต่คนหลงคือจิตตัวเองนะมีกิเลสอยู่มไม่ออก แต่เวลาเรามาหาเจอเนื้ดสติเรจะรู้ว่ีเกเเกิดตลอดนะนะเกิดแคบตลอดเวลาอย่างเผลอใช่ไหมเผลอหลงไปเผลอไปนั <S <S ่นตรกูลโมหะมียืนพื้นเลยแทบเกิดตลอดแบบนี้ลงลงยังไม่ตื่นรู้สึกไหมมันมันก็ยังมันก็ยังเหมือนเดิม็ต่กงมันเหมือนมันติดอะไรเออมันติดอยู่ใช่ไหมดูออกไหมมันไม่หด มันไม่ยอมหนุนเองไม่ลราบว่าทำไมทํำทำให้เหมือนไหมอยากทำไหมถ้าอยากก็จะรู้ให้รู้ว่าอยากเออถ้อยากก็รู้ว่าอยากความจริงมันจับเอาไว้เพราะว่าเป็นจับมันเข้าเราไปยึดมันไม่เองเลยเหมือนถืออะไรไปอันหนึ่งโอ้ยหนักกันหนักแล้วสบัดแต่มือไม่ปล่อยไปเก๋ไหมว่าเราไปอยากเป็เจ้า ใช่น e really? ี่มันก yeah, mm. ็มือนรู้สึกมันไม่เหมือนมันเกิดจากอะไรในตัวที่จับไปเกิดจากความจงใจถ้าเราไม่อไม่จงใจแต่ว่าเหมือนกับว่าเราย้ายจิตไปอยู่ที่อันนั้นเป็นมืบายเป็นมืบายใช้แก้ก็เป็นอือบายใช้ได้เหมือนกันแต่ใช้นานๆนี่ใส่เสียร็่กลายเป็นคนเจ้ามือบายเกิดอะไรขึ้นไปแก้เรื่อยๆแต่ถ้าดูต้นทางมันไม่ออก สภาวะนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดความจงใจที่จะไปดูมันทําไมถึงจงใจไปดูเจตนาทําไมมีเจ ต, ตนาเจตนาตัวนเรื่องอสังขารสังขารในปฏิจจสมุปบาทเที่หัรปฏิจจสมุปบาทอ่ะอ่ารอบเดียวนะคะอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารนี่คือตัวเจตนาเราอยากปฏิบัติรู้สึกไหมเราอยากดีเนี่เป็นเจตนาฝ่ายดีนะเป็นฝ่ายกุศล เจตนาแตกดูเกิดก็เกิดการทํางานเกิดเกิดการดูก็คือเกิดการสร้างพบขึ้นนันะ้ะคําว่าพบความเผาผอนในปฏิจจสมุขบาปมีตรงในย้ําในยใน้ํานี่คือการเกิดจิตข้ามพบข้ามชาติอีกในยา้าหนึ่คือการทํากรรมทางใจสัง เ, เกียได้ว่าพอเราเกิดความจิตจงใจจะดูจงใจในปฏิบัติก็เกิดการดูเกิดการปฏิบัติตรงจิตเข้าไปดู พอโศกจิตก็ไปสร้างภพขึ้นมนาะความทุกขก็เกิดขึ้นจิตก็เติดอยู่ในภพนะ่ะหลุดไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ทันว่ามันเกิดจากความจงใจในนู่นนะรู้ทันที่ความจงใจความจงใจขาดครับไอ้นี่ขาดหมดเลยจะทําไมจงใจอวิชาอยู่เพื่อหลังความจงต่มันไม่รู้ว่าหัวจิตไม่ใช่ตัวเราคิดว่าจิตเป็นตัวเรารู้สึกไหมรู้สึกว่าจิตคือตัวเราเนี่ยเรีกว่าไม่รู้รู้ จริงมันไม่มีเรามีแต่ตัวทุกข์ไม่มีตัวเราตัวทุกข์คือรูปกนามกลายเป็นใจแต่พอเราไม่เห็น เ, เป็นตัวจิตเป็นตัวทุกข์จะเป็นตัวเราเราอยากให้เราดีอยากให้เราคนทุกข์งนั้นพออยากให้เราดีอยากให้เราคนทุกข์นี่นมันมีทางเลือกสามทางอวิชาทําให้เกิดความคลุมแสงสามแบบแบบที่หนึ่งก็คือวิ่งหาอารมที่สบายๆนีอรมณ์ที่ไม่ดี เนนี้จะทําไปด้วยราคาตุสกม์มีความไม่รูมมรมมรร้อยู่คื้นอยูแล้วก็มีรูปมาเป็นราคาตกสต์คนในโลกกเขาปลแกใจก็ไปดูหนทา ง, งเพลงที่เากิเลสมาแย้งแล้วหาความสุขรู้สึกไปเผลอๆหลงๆไปเลยแล้วมีววความสุขนี่คือโหลงปลูกแต่งกายาสุขส่วนมีพวกเรานักปฏิบัติก็เกิดอวิชชาดู ที่ว่ากายกับใจของเราจิตถึงตัวเราเนี่มีวิชาว่าจิตเป็นเราอยากให้จิตมันดีไม่ใช่ไม่ก็เลยจงใจเที่ยวไปดูมันจงใจจะปฏิบัติธรรมจงใจจะดูจิตควาจงใจจะปฏิบัติจงใจจะดูจิตจงใจจะทํากรรมที่ดีเรียกว่าความปรุงแต่งกายดีหรือปุญญาที่สังารสุดโตอีกฝั่ง อันหนึง่งคือปล่อยใจตาเปลิดเลยเที่ยวแสวงหนาะอารมณ์ที่ดีเที่ยวหนีอารมณ์ที่เลวนะพวกที่สองเนี่ยไม่ยุ่งกับอารมณ์ยพยายากควบคุมเปลี่ยนพยายคุมจิตคุมใจตัวเองไป เ, เดินแต่ละข้าพวพควบคุมทําอะไรก็ควบคุมตลอดแล้วก็ปุ๊บแบบคนดนีถ้าเรารู้ทันว่าการกระทําของเราเนี่เกิดบบจากตรงใจตรงใจไปดูจิตจะรู้ทันครับ ความลงใจจะขาด้รูนี้ความลงใจนะไม่ใช่คิดคิดเอาคิดคิดเอาแล้วแกล้งทํำเป็นจะให้หูุดเนี่ยอุบายทั้งหาักอยากที่เป็นง่ๆอยากขี้ไม่ได้เกิดจากการเห็นสภาวะไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรอยู่ๆก็คิดหนีไปอย่างเดียวนะ่ังนั้นเป็นวิธีหนีแต่ถ้ารู้นั่นมาเนี่ยมันเกิดจากตรงใจไปดูมันเข้าเห็นความอยากอยากดูเป็นความลงใจโดยขาดรู้นครับไอ้คิดเกาะเนี่ยหลุดเลย แล้วกพบนนี้จะตั้งอย่ไมได้เรื่ปฏิบัติของเราแรกแรกในลราเราเจอสภาวะที่ไม่รู้จักเนี่ยก็ทุ่กันันแต่พอเรารู้ว่าไอ้นี่คืออะไรมันเกิดก็อะไรมันทําหน้าที่ได้ยังไงมีบทบาทยังตอนนี้ก็หลุดออกมาเพราะว่ามันเกิดปัญญาเข้าใจไหมปัญญาเป็นส่วนตับตีเป็นส่วนจับเราจงใจเอาสติที่เข้าไปก็จับเอาไว้ เพราะว่ามีสติแต่ขาดปัญญาคือไม่รู้ความจริงไม่รู้ลักษณะไม่รู้ว่าไอ้สภาวะอนี้เกิดมนได้ยังไงถ้ารู้ชัดว่ามันมาได้ยังไงนี่เรียกรู้ชัดคือตัวสัมปชัญญะคือตัวปัญญาเนี้ยปัญญาเป็ตัวที่เรารู้ชัดต้องขาดเลยมันตัดด้วยปัญญานะลักษณะกิจกรรมของปัญญาคือการตัดกิจกรรมของสติคือการจับเอาไว้ยังจับได้จะปล่อยไม่เป็น ที่หลวงพ่ว่าถือไว้พรหนักหนักรู้ว่าหนักนะแต่ไม่ปลอดเขาไม่รู้ว่าทำไมถึงหนักเยมันหนักเพราว่าไปหยิบมันไปเหมือนกันจิตมันหนักขึ้นมาก็อะไรเพราะว่าจงใจไปดูเหมือนครับมีความอยากจะดูจงใจจะดูทําไมถึงอยากดูก็คิดว่ามันคือตัวเราของเราจะฝึกมันให้ดีแล้วเราจะได้มีความสุขเราจะได้บรรลุมรรคผลทางเนื้อหาวิธชาเร้อน วิชามันมีสี่อันความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่ารูปนามกายใจเป็นทุกข์ที่ว่ามีตัวเราจริงไม่มีตัวเรามีแต่ตัวทุกข์เป็นตัวรูปนามควาไม่รู้ตัวนี้ก็เรียกว่าไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าอยากแล้วจะเป็นอย่าให้เกิดทุกข์อยากปฏิบัติเอากันาดใหญ่ไปอยากปฏิบัติรี่ปฏิบัติกันใหญ่ไม่รู้ว่ากำลังสร้างความทุกข์สร้างเหตุแห่งทุกข์ขึ้นนาอย่างอยู่ๆเราก็จงใจกําหนด กำหนดขึ้นมาความทุกข์เกิดเล ย, เลยรู้สึกไหมแม่นพันธีเพราะอะไรเพราะเบื้องหลังการกําหนดคือการหาอยากปฏิบัติในคำพิ้งเราสอนไม่ชัดๆเลยอัตตามหาสฏิปัติสามสติการกำหนดรูปนามเ ป, นป็นอารมณ์เป็นปัจจุบุกการหาคือความอยากจะปฏิบัติอยู่เบื้องหลังเาาสติไปกําหนดรูปนามนี่คือตัวสมุขใจหรือว่าเราชอบกําหนดกัน มันไม่โ ต, ตกัดต่ำต่อมรุ่นตั้งเดิมสติแปลว่าความแรงรึกได้ไม่ใช่แปลว่ากําหนดกําหนดเนี่ยมีความจงใจทำอะไรจงใจรำนั้นก็คือการสร้างภพสร้างชาติไม่ใช่การรู้ตางความจริงสติจเป็นตัวรารึรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นปัญญาเป็นตัวเข้าใจในใจทัตนคติโตในสติปัฏฐานใช้คําว่ารูชา้ชัดคําว่ารู้ชัดคือตัวเข้าใจ ไม่ใช่รู้ให้ชัดชาบโดยการไปนั่งจ้าให้นิ่งๆนะบางคนบอกว่าตาเห็นรูปให้รู้ชัดที่ตารู้ชัดรูปให้รู้ชัดสังโยชน์ที่เกิดก็การที่ตาไปเห็นรูปเนื้อรู้ชัดว่าสังโยชน์เกิดก็อะไรรู้ชัดว่าสังโยชน์สิ้นไปก็อะไรรู้ชัดว่าสังโยชน์ใหม่จะเกิดไม่ได้ก็อะไรบางคนไปแต่รู้ชัดก็เพ่งรู้ชัดไม่ได้แปลว่าเพ่งรู้ชัดเป็นชื่อของัมปัญญา รู้ตรงความเป็นจริงนะอย่างสมมติว่าถ้าเราเดินอยู่หรือเรานั่งอยู่ทันเนี้ยถ้าเรารู้ว่าเรานั่งรู้ว่าเราเกา่ารู้ว่าเรานั่งรู้ว่าเราเก่ารู้ว่าเราพยักหน้านะเรียกว่ามีสติแต่ว่าไม่ใช่รู้ชัดถ้ารู้ช้าเนี่ยอยจะรู้เลยไอ้ที่นั่งหยเนี้ยนะมันเป็นรูปประสมหน้าไม่ใช่เราหน้าไอ้ที่เคลื่อนไหวนี้เป็นรูปเคลื่อนไหวไม่ใช่เราพยักหน้าเราไม่มี แต่มีสติเยังคอยรู้เนี่เราอยู่เราเดินเรานั่งเรานอนอย่างงี้เป็นสติเฉยเฉยไม่ใช่สัมมาสติสติเฉยเฉยเนี่ยไว้ทําอะไรไว้ทําสมถะเพราะงั้นถ้าเราเดินจงกลงไปเพราะงั้นเราก็จ้อใส่เท้าไะมีสติเท้ากระดูกกรินเนี่ยรู้หมดเลยเรายกเท้าเรายั่งเท้าอะไรรู้หมดเลยอันนี้ได้สตินะได้สติสิ่งที่เกิดขึ้นในสมถะ แต่ถ้าเป็นการรู้รชาติเนี่ยจะเป็นกอย่างทุบก้าวย่างไปไม่ได้รู้สึกนะว่าเรายกขาย่างขาอะไรนั่เป็นบัญญัติทั้งหมดแต่ว่าความมีการไหวพี่นันจะรู้ว่ารูปมันไหวตอนนี้ดูออกไม่ยังเห็นรูปมันเคลื่อนไหวไหมรูปมนเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เราเคลื่อนไหวรู้สึกไหมมันไม่มีเราเราเคลื่นไหวไหมยังแต่ว่ารู้แค่รู้ว่าเราเคลื่อนไหว ถ้าถ้าเราเคลื่อนไหวนะมีสตินะ้แต่ถ้าเห็นอะไรที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราเป็นก้อนอะไรก้อนนึ่งอุนยนตัวหนึ่งกระดูกกระดิ่งเคยรู้สึกไ้มเนี่ยนั่นแหละเรีว่ารู้ชัดแล้วก็มีตัวปัญญาประกอบด้วยนั่นจิตเนี่ยมีหลายชนิดจิตอากูส่วนเนี่ยไม่มีสติไม่มีปัญญาจิตสายอกูส่นไม่มีสติ แต่ิตไต่กุฏน์ยังแยกเป็นสองกลุม่มมีสติไม่มีปัญญากับมีสติแล้วมีปัญญาเพระงั้นการที่เราเ ร, าาาราู้เราเดี๋ยวซ้ายแยกขวายวืนเดินนั่งเรนอนเรารู้สึกตัวไปเรื่ยนี่เรามีสติแต่จิตเยังกุฏน์แต่ว่าปัญญายัางไม่เกิดปัญญาจะเกิดแต่เมื่ออะไร่เมื่อเกิดสัมมาสมาธิจิตตั้ง ม, มั่นนร่งๆนีจิตตั้ง ม, มั่นคือไม่หลงไปในโลกของความคิด ไม่ใช่บังคับจิตให้นิ่งๆ่งนะจิตตั้งมกกั่นจิติตที่ไม่หลงไปไม่ไหลไปในโลกของความคิดแล้วก็มีสติรู้รูปที่เคลื่อนไหวหรือมีสติรู้นามธรรมที่เคลื่อนไหวด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นจิตใจที่ไม่หลงเข้าไปแทรกแสงนึกว่ารู้อย่างถูกวิธีจิตมันตั้งมั่นรู้อย่างถูกวิธีมันจะเกิดปัญญาอัตโนมัติขึ้นมาคุณจะเห็นเลยว่าใ้ที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นรูปขึ้นเคลื่อนไหว นะท like so ี all, it it young, so soft, ่เปลี่ยนแปลงไปมาหรือไปนำมาทำเปลี่ยนแปล่คือความรู้สึกโกรธความรู้สึกโลภมันไม่ใช่ตัวเราโกรธตัวเราโลภจะเป็นตัวความรู้สึกที่เกิดขึ้นความรู้สึกที่ผ่านมาผ่านไปหรือเราเห็นใช่ไหมรู้สึกไหมจินมันเคลื่อนไปขึ้นมาเราไปดูอยู่รู้สึกไหมว่าที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่ใช่ตัวเราในการที่เห็นมันเคลื่อนไปเคลื่อนมารู้เลยมันไม่ใช่เราของจุดรู้ทั้งหมดเนี่เป็นการดูชัดหรือเป็นตัวปัญญา นั้นเราจะทำทีษษะนะ่ปัฏฐานนี้ต้องมีสติมีปัญญาคือสติสัมปชัญญะปัญญาเกิดขึ้นได้มีสมัสมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดไม่ใชนะ่มีสติเป็นเหตุ ใ, ใก้เรอกมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นเหตุให้เกิดจิตที่ตั้งมั่นคืจิตที่ไม่หลงยังไม่เคยนิเลยค่ะเหมือนยังไม่เคยนินตั้งแค่วเดียวนะรู้สึกไหมมีแว๊บเชน <c oughs> ่นเผลอๆอยู่แล้วรู้ว่าเผลอ ขณะนั้นจิตตั้งมั่นเชื่อมั่นแล้วเรียกว่าคณิกะสมาธิอันนี้เป็นตัวสมาศสมาธิจริงๆนี่สมาธิไม่ใช่เอาจิตไปเจ้องไว้สมาธิที่เอาจิตไปเจ้าไว้เป็นมิจฉาสมาธิเป็นการเชี่ยงตัวอารมณ์เชี่ยงตัวอารมณ์เชี่ยงตัวอารมณ์มีชื่อว่ารามานุปนิชฌาเชี่ยงอารมณ์การรู้ลักษณะลักโลงนิชฌานุรู้ลักษณะมิปัจฉนาที่มีปัญญารู้ลักษณะ มีสติรู้ตัวสภาวะว่าอะไรเกิดขึ้นเป็นความโกรธเกิดขึ้นมามีสติรู้ทันพอรู้ทันแล้วเนี่ยรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่เข้าเปแทรกแซงไม้ยินดีินร้จิตตั้งมั่นเป็นปลางนี่คือสมาธิมีสมาสสมาธิมันจะเห็นทันทีเลยว่าความโกรธที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นนามธรรมันึ่งไหลมาแล้วก็ไหลไปความรู้สึกทั้งหลายเนี่นแต่ไหลมาแล้วไหลไปไม่เกี่ยวอะไรกันเรานี่เรียกว่าตัวปัญญา ค่อยๆดูจากสติสตมสาธิปัญญานะสภาวะแต่ละอันทาหน้ทนาที่ต่างๆกันปัญญารู้ทันปัญญาจะทาหน้าที่ตัดติจะจับอารมณ์ไว้สมาธิคือความตั้งมั่นไม่หลงการอารมณ์กันแล้วก็ไม่หลงไปที่อื่นนะไม่หลงไปแก้งแต่งอารมณ์ดนะ้วย